สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเฟซูตอนที่สี่ร้อยี่สิบหกเรื่องพวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ตอนที่หกพี่น้องครับผมขออนุ ญ, ญาตทบทวนเมื่อวานนี้ครับพวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นทรงมีเรียกว่าพระสิทธิของโปร่งหรือทํางานนะครับในชีวิตสามด้านใหญ่ใหญ่ด้วยกันครับคือทํางานผ่านชีวิตของคนต่างๆ เพื่อให้สําเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าประการที่สองก็คือทรงทําให้มนุษย์สํานึกถึงความบาปต้องการความรอดและประการที่สาก็คือทรงจํากัดและควบคุมอำนาจของความชั่วร้ายนะครับเราเห็นทั้งสามด้านนี้นะครับเกิดขึ้นกับโลกนะครับคนที่อยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นคนที่เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ในเช้าวันนี้เราจะพูดถึง ความสัมพันธ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพวกเราทั้งหลายที่เชื่อครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอะไรบ้างเราสามารถสรุปภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างย่อๆนะครับนะครับมีอยู่สี่ด้านด้วยกันครับทีน้องโปรดฟังให้ดีนะครับภารกิจแรกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราที่เป็นผู้เชื่อก็คือทําให้เราทั้งหลายบังเกิดใหม่ แต่ไมหล้มลายบังเกิดใหม่อันนี้เกี่ยวข้องกับความรอดโดยตรงนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้กระทําให้เราบังเกิดใหม่ได้นะครับพระวิญญาณทรงเป็นผู้ประทานชีวิตให้กับพวกเราล้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่ไม่เพียงแต่เท่านั้นครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเกี่ยวข้องกับความรอดนิรันดร์ของเรานะครับ และพระวิญญาณบส ร, ร, ร, รบสบ 3, รบรุสร้างเราขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับในพระธรรมพีทาสบทที่สามข้อห้าชัดเจนครับพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้คือประการแรกครับก็คือการบังเกิดใหม่ประการที่สองครับพระวิญญาณทำอะไรบ้างเกี่ยวกับความรอดคือการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระวิญญาณนี่คือความต่อเนื่องในการทำพราสิธิของพระองค์ หลังจากที่เราบังเกิดใหม่แล้วนะครับก็คือพระองค์สถิตยอยู่ด้วยเมื่อวานนี้ผมพูดเสมอนะครับว่าในเพื่บีเดิมนั้นการสถิตของพระวิญญาณ น, นั้นคือพูดง่ายว่าพูดภาษาชาวบ้านนะครับก็คือเดี๋ยวก็เข้านะครับพอเวลาไม่เชื่อฟังดื้อด้านจิตใจต่อต้านอย่างตั้งใจเจตนาเพววื่อเยี่ยมสุดออกมาสตาร์นเข้าแทนครับอันนี้คือการ สถิตอยู่อย่างไม่ถาวรในพระกัมภีเดิมแต่ในพระกัมพีใหม่สถิตยอยู่ในผู้เชื่ออย่างถาวร น, นะครับเพราะสิกิงนี้มีความสำคัญอย่างมากครับเพราะถ้าคนใดไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ด้วยคนนั้นก็ไม่เป็นของพระเยซูนีชัดเจนนะครับพระคริสต์ได้ตรัสถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมีนามอีกนามว่าพระผู้เราหลอม ครับให้เรามาฟังพระเจ้นักของพระเจ้านะครับในพระธรรมยอห์นบทที่สิบี่ข้อสิบเจ็ดท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและประทับอยู่ในท่านเห็นไหมครับการเสด็จมาของพระผู้เล่าลมอยู่กับเราประทับอยู่ในเราและเปาโลก็ยืนยันครับว่าพระวิญญาณสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหนึ่งหนึ่งโครินธ์บทที่สามข้อสิบหกนะครับจานเปาโลนั่นกล่าวต่อคริดจัก โคเรียนที่แตกแยกกันนะฮะ บ, บอกว่าผู้วิญญาณทรงถิออยู่กับเราอยู่กับท่านพระวิญญาณองค์เดียวกันอาจารย์เบโลกําลังต่อว่าเขานะครับว่าทําไมต้องทะเลาะกันทํำไมต้องแตกแยกกันในเมื่อคุณมีพระวิญญาณองค์เดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับการสถิตของผู้วิญญาณบริสุทธิ์ยังเป็นการเป็นปักกันครับการเป็นขึ้นเหนือความตายของผู้เชื่อด้วยมีชัดเจน นะครับเราเนี่ยครับมีความมั่นใจในความรอดของเราเรามีหลักประกันในการเป็นกันใหญ่ความตายของเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อนั้นก็เกิดจากการสถิตของพระเยเมศุทนะครับถ้าพี่น้องเวลาเปิดดูในความรอมบทที่แปดข้อสิบเอ็ดและนี้คือประกันที่สองครับสถิตอยู่ด้วยประกันที่สามครับพระเยซูศุทธ์ให้บาปทิศมานะครับในพระวจนะพระเจ้าเราจะเห็นพระเยซู ทรงให้บัพติสมานะครับพระคิดทรงให้บัพติสมาแก่ผู้เชื่อให้เข้าเป็นพระกายเดียวกันกับพระองค์โดยเลยครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับทุกวันนี้เนี่ยพระเยซูไม่ได้ให้บัพติสมารเราแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้บัพติสมาเพราะการบัพติมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทาให้เรากลายเป็น พระ ก, กายเดียวกันอยู่ในพระ ก, กายของพระเยซูนั่นเองเปาโลกล่าวนี้ครับว่าเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกกรีกหรือพวกยิวเป็นทาสหรือไม่ใช่ทาสก็ตามแล้วทั้งหลายได้รับปััชมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบซ่านอยู่นี่ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินหมดที่สิบสองข้อสิบสามครับปััสมาที่ท่านอัครทูตปาโลกล่าวใน หนังสือฝากหรือจดหมายฝากเรืน่นี้ในโครินนี้นะครับกล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทันทีที่คนคนนั้นได้รับความรอดพี่น้องโปรดฟังอครั้งนะครับบับติสมาที่ปรากฏอยู่ในหนึ่งโครินหมดที่สิบสองข้อสิบสามนั้นเป็นบับตสมาที่กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทันทีที่ผู้เชื่อได้รับความรอดและพิธีบับตสมาด้วยน้า เป็นสั ญ, ญลักษณ์ถึงการบัพติสมาของพระวิญญาณเป็นสั ญ, ญลักษณ์ถึงการบัพติสมาของพระวิญญาณที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเรารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณหรือจะใช้คําว่าโดยพระวิญญาณเข้าสู่พระกายของพระเยซูตอนไหนครับคําตอบคือตอนที่คนนั้นได้รับความรอดวินาทีนั้นนะครับ ทันทีที่คนคนนั้นได้รับความรอดนั่นก็คือเขากลับใจใหม่เขาทูลขอการอภัยโทษเขาทูลเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นองค์พระบูญเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเขาตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปตลอดชีวิตนั่นแหละครับเป็นวินาทีที่เขาได้รับความรอดพยานบริสุทธดก็บอกสมาเขาเข้าเป็นกายเดียวกันก็คือในพระวรกายขององค์พระเยซูคริสต์ต่อมาคนคนนั้น ก็รับบัพติสมาด้วยน้ําก็เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงการบัพติสมาด้วยพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์นะครับประการสุดท้ายครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทํำพระสริทธของพระองค์อันเกี่ยวข้องกับความรอดก็คือการประทับตราครับประทับตาพระเจ้าทรงประทับตาผู้เชื่อก็คือพวกเราทั้งหลายนะครับด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซั e สบทที่หนึ่งข้อสิบสาม นะครับยังอีกตอนหนึ่งในพระธรรมเล่มเดียวกันบทที่สี่ข้อสามสิบคาเุปเปาโลนะครับกล่าวว่าพระเจ้าทรงประทับตาเราและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในใจของเราเป็นมัดจำอันนี้พบในพระธรรมสองโคีินบทที่หนึ่งข้อ22ิบสองเราจะเห็นได้ครับว่าการประทับตานี้มีความหมายหลายอย่างครับก็คือเป็นซิเคอร์ลิตี้ครับเป็นความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต ที่ได้รับการประทับตาด้วยพระวิญญาณแสดงถึงการเป็นเจ้าของเรานั้นมีเจ้าของแล้วครับก็คือประทับตราด้วยพระวิญญาณโดยสุดตรงนี้คิดถึงชาตินะครับธาตุสมัครที่เขาจะต้องเจาะหูนะครับเมื่อลอยเจาะหูของเขาเนี่ยกลายเป็นสง่าราศีครับเพราะว่าเขาสมัครใจถามว่าทําไมชาติถึงสมัครใจอยู่กับนายงเขาตลอดชีวิตเพราะานายนองเขาดีนางเขาดีที่สุด ไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างอื่นนอกเหนือจากการรับใช้เป็นท่าสมัครของนายนะครับการที่เราได้รับการปรรทับตาจากพ่าแม่เป็นสุดนั้นก็แสดงว่าเราเป็นคนที่มีเจ้าของนะครับเหมือนกับสุนัขกัครับขอโทษครับเปรียบเทียบสุนัขที่มีปลอกคอแสดงว่าไม่ใช่เป็นสุนัขจอนจัดเป็นสุนัขที่มีเจ้าของแล้วทั้งหลายเช่นกันครับเปรียบเสมือนกับเป็น ผู้ที่มีเจ้าของนะครับเพราะเหตุที่ว่ามีรอยประทับของพระบิณฑบาตสุดนี่นั่นคือการทรงสถิตของพระบิณฑบาตสุดในชีวิตของเรานั่นเองนอกจากนั้นแล้วนะครับการประทับตานี้มีความหมายถึงการคำประกันครับว่าเล่องหลายจะรับความรอดแน่เ่องหลายนั้นเป็นของพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ล่องหลายนั้นเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์ทําให้ งานของโปร่งสําเร็จนอกจากนี้ครับพระวิญญาณบ ร, ริสุทธิ์ก็เป็นผู้ทรงรับผู้เชื่อให้เป็นบุตรนะครับและทรงเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้ามีพบในพระธรรมโรมบทที่แปดข้อสิบหกชัดเจนครับนั่นคือวันนี้พี่น้องครับพระราวกิจทั้งสี่อย่างของวิญญาณบ ร, ร, ริสุทธิ์เกิดขึ้นทันทีเมื่อคนหนึ่งรับเชื่อก็คือบังเกิดใหม่ ก็คือการสถิตยอยู่ด้วยก็คือการให้บัปพิศมาและก็คือการประทับตาสี่อย่างนี้ครับเกิดขึ้นทันทีพี่น้องครับสี่อย่างนี้เกิดขึ้นทันทีเมื่อคนคนหนึ่งหลับเชื่อขอให้เราที่จะเข้าใจพระชิตของพระยานบุญชุดอย่างถูกต้องแ่องแท้อารมน